เดียวดูว่ า, าสุนันทาอุบาสิกาทำอะไรบ้างสมัยก่อนอธิบายว่างุมฉันน่ะเขาจำอุโบสถนี่แหละสมาทานอุโบสถตศีประกอบด้วยองคปดประการทุกวันสิบสี่คำส5บห้าคและ8ปดรมนี่แหละวันพระเดือนละสี่วันสมาทานอุโบสถทศี สมัยพุทธกาลน่ะทำแบบนี้เดือนละสีวันน่ะสมารถอุบุโสตศีนะตอนนี้เออ น, นี่แหละอธิบายกับเต้าสักกะธิวราชว่ากุศลละกรรมที่กระทำไว้แล้วเกิดมาในฉันดาวดึงอะไรบ้างแล้วก็อธิบายต่อเนื่อง การักษาศีนไปด้วยแล้วก็เรื่องที่สําคัญคือสํารวมมนี่แหละมีการสํารวมมีสีเป็นสิ่งที่ยุคปัจจุบันนี้เราไม่ค่อยฝึกเลยสมาทานอุโบสถศีนตอนเช้าจากนั้นน่ะการสํารวมไม่มีเลยมีแต่การสมาทานอุโบสถศีนอย่างเดียวจําได้แต่วันนี้แต่งหน้าไม่ได้ ดูหนังฟังเพลงใหม่ได้ต้องรับประทานอาหารก่อนเที่ยงอันนี้แหละแบบสรุปแบบนี้นะโยคการสมาทานอุบุสตัสีนไม่ได้ไปด้วยสมบูรณ์บริบูรณ์แบบนี้การสมาทานอุบุสตัสีนต้องตามด้วยสำรบมินรีนอกจากนั้นอานิสงส์ที่เกิดจากการสมาทานอุบุสตัสีน ไม่ค่อยเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ดังนั้นในกรณีนี้การสำรวมหม่ถึงอะไรโยมสมาตานอุบุสัตตสีตแล้วก็ให้ระมัด ร, ระวังใหม่ให้โลภากับตูสะเข้ามาต่างประตูตาหูจมูกลิ่นหายใจนี่แหละโยมสรุปแบบเข้าใจง่ายง่ายหลังจากสมาตานอุบุสัตตสีตเราต้องระมัด ร, ระวัง ไม่ให้โลผ้าตูสาาเข้ามาประตูตาหูจมูกดินกายใจต้องเข้าใจว่าการใส่บาสมาทานอุบูสุธสีนเป็นต้นต้องประกอบด้วยอะไรบ้างไหมการรักษาจิตใจในในสัตติปัตตานาธิบายว่าวิเนยลลขีอภิชาถุมนาสันสิ่งที่เขาทำต่อเนื่องต่อเนื่องคือละอภิชาและถุมนา ไม่ให้รูพระหรับปฏิฆามากรบงามจิตทำอะไรก็ตามแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนี่คือพื้นทางในการเจริญสตินาโยแต่อยังไม่สามารถจะละอภิชาตุมนัดได้ยังไม่สามารถจะละรูพระปฏิฆาที่เกิดขึ้นรับโปร่งว่าสติปัฏฐานไม่มีทางเกิดขึ้น ว่าพื้นฐานในการเจริญสัติปทานไม่มีอย่างนี้อธิบายในมหาสัติปทานาสูตรไม่ใช่ว่าอธิบายครั้งเดียวนะโยมกรรมฐานทุกกรรมฐานอธิบายเรื่องนี้ได้ในอุเทศก็อธิบายเรื่องนี้อาณาปานสติอิริยาบถกายนุปัสสนาสิบี่ประการในเวทนานุปัสสนา สิตานุปน า, าธรรมานุปัสนาหกอยา่างอธิบายเรื่นี้มากกว่า20สิบครั้งว่าคุณสมบัติของผู้เจริญสติปัฏฐานคือเขาละอภิชาโถมนหนึ่งหนึ่งไม่ให้โลภะกับตูสะเข้ามาต่างประตูถาหูจมูกดิ้นกายใจความจริงก็สำหรับเราบางคนนะอยู่ไม่ใช่บางคนนะหลายหลยคน ต้องฝึกการสํารวมมินรีหลายหลายปีต่อเนื่องต่อเนื่องบางคนก็อาจจะตะลอดชีวิตต้องสํารวมมินรีตลอดชีวิตต้องสํารวมมินรีม่ให้โลบะกับปฏิฆามาครบงานจิตว่าเรื่องนี้พวกเราถ้าฝึกมาแล้วอย่างน้อยปัจจุบันนี้เป็นยังไงสํารวมมินสียาก เรามีพัฒนาแบบนี้ไหมโยกการสรํารวมมินซีง่ายหรือยากยากมันจะบอกว่าอะไรในอดีตชาติไม่ค่อยฝึกการสรํารวมมินซีบางคนเห็นว่าแบบการรักษาศีลสมาทานซิงมันง่ายมันไม่ได้ปัญหาใหญ่มากแต่สํารว้มันยากมันจะแปลว่าอะไรแม้อดีตชาติเขาสมาทานศีน แต่ไม่ค่อยฝึกการสำรวมต้องพันจุดนี้นยโยมเข้าสู่การเจริญสติปัฏฐานได้ต้องพันเหล่านี้ถ้าสำรวปอินทรีย์ใหม่ได้ถึงแมวจะไปยามแนวไหนก็ตามรับโรงว่าสติปัฏฐานไม่เกิดขึ้นจะได้ความสงบเป็นชั่วคราวแค่นั้น นี่คืออนุตตรสัมพุทยานของพระพุทธเจ้าแล้วก็วันพระนีละสมาทา น, จ, นจีนแล้วก็สำรวมมีจิตเละให้ทาน